ที่พึ่งกับที่อาศัยคนเราเข้าใจเสียว่าที่อาศัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่อาศัยทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาที่พึ่งที่อาศัยทั้งนั้นน่ะที่อาศัยนั้นคือหมายความอาศัยชั่วคราวที่พึ่งนั้นพึ่งตลอดเวลาทั้งพบนแระพบหนานั้นเรียกาทีพึ่ง เช็นปัจจัยชาทั้งสี่ที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นผ้าเครื่องหนุ่งของหง่มอาหารการกินเสนาสนะยุกยารักษาโรคภัย น, นี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัย ถ้าไม่มีเครื่องเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้เอาใส่ปัจจัยทั้งชาติทั้งสี่นี่แหละมนุษย์คนเราจะอยู่ได้ก็ดีส่วนที่พึ่งนั้นที่พึ่งทางใจส่วนที่พึ่งทางใจนั้นคนโดยมากเข้าใจว่าพึ่งพูดผีปีศาจพึ่งเทวดาอารักษ์ พึ่งพระภูมิเจ้าที่เหล่านั้นเข้าใจว่าที่พึ่งอันสันไออันอุ ด, ดมสมบูรณ์ที่สุดหมายความ่พึ่งจริงที่ไม่เห็นนั่นน่ะเขาเข้าใจว่าจะประจิตประสาทให้ได้สาเร็จตามความปรารถนาของตนพึ่งอย่างนั้นความเป็นจริงแล้ว อันพึ่งของมุนพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าไม่ใช่ที่พึ่งของจริงในตังโขสารนั ง, ข ง, านางเขมังในตังสรารณมุตตมังในตังสรารณามะขมาตสพะรุขามุจติอันที่พึ่งเหล่านั้นนไม่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขไม่เป็นไปเพื่อความค้นทุกข์ทั้งว่างั้น ก็ลองคิดดูสิมันจะกเกษมสุขยังไงได้เช่นเพ่งพึ่งพระภูมเจ้าที่เลี้ยงดูทุกวันทุกวันมันเป็นภาระของเราที่อยู่เราทำให้ให้อยู่อาหารขารบริโภคก็ต้องเราเป็นคนหาให้ใช้ให้กิน จะพึ่งได้ยังไงเงี้เราเนี่นเข้ามาพึ่งเราซ้ําอีกขปุ๋มเจ้าที่ยังมาพึ่งเราซ้ําอีกเรายังเข้าใจว่าเราพึ่งพวกขปุ๋มเจ้าที่แต่ให้ที่จริงขปุ๋มเจ้าที่เอาพึ่งเออซ้ า, าอีกมันจะพ้นทุกได้ยังไงเงี้ยพึ่งพูดผีวิษณ์ก็เช่นเดียวกันอย่างศาสนาที่เป็นศาสนาไปเจ้า ของท่ามนมีตนมีตัวไม่เห็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันนั้นข้าเจาเป็นที่พึ่งอันสูงสุดพระเจ้ามีนมตนมีตัวไหวหวนเคารพนับถือพระเจ้าวันทุกเวลานาทีเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายังไม่อยู่ดีสบายมาพึ่งพระเจ้าในคนที่สุดสงคราม ลบดาข้าวฟันกับพึ่งพระเจ้าพรานพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยแต่พระเจ้าช่วยได้ที่ไหนล่ะลบดาข้าวฟันกันทิพหายวายวอดหมดไม่เห็นมีที่พึ่งแต่ในที่พึ่งอนเป็นไม่ใช่ที่พึ่งอันเป็นเสดของทิ่ที่พึ่งอันประเสิดแทนคือพระรพุทธประธรรมพระสงฆ์ พ, พระพุทธธรรมพระสงค์ไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีพิพา้หมดจะแล้วจะพึ่งได้ไงพึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองนที่พึ่งตนเองนัะนมีอะไรเป็นที่พึ่งในตัวของเรา เแล้วเมื่อพูดพูดถึงพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์ก็พูดสั่งสอนแนะนํากเตือนกับพระสงค์อันเนี่ยมาลงอันเดียวกันเราพูดพระธรรมพระสงค์อันเดียวกันให้พุทธเจ้าตระรุ่งกับตระรุพระธรรมพระธรรมแนะนํากเตือนพระองค์ให้ใจสําเร็จมาผลในผานเพราะพระธรรมเป็นเครื่องต่อแสดง ในดูแจ้งแจ้งกระรอดซึ่งในธทรมหลวงมดพระสงฆ์ก็ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะทสอนที่พระเจ้าสอนมาเนี่ยพระเจ้าค้นคั่วได้เห็นธรรมนักธรรมสอนพระสงฆ์เอาธรรมนั้นมาสอนพระสงฆ์ก็พึ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูแจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าท่านสอนในพึ่งตนอันนี้เราเห็นได้ไหมล่ะตนเห็นตนอะไรไมล่ะเห็นตนหรือไม่เดี๋ยวนี้นั่นแะข้อสำคัญตรงนั้นกันท่านยังไม่เห็นตนก็พึ่งตนไม่ได้เจริพากันหาตน ฮะให้เห็นตนของตัวตนคืออันของนั่งต้องมงจังเวงอันนี้บอเป็นตนอันนี้ก็ไม่ใช่ตนมันแก่มันเจ็บมันเท่ามันชราในผลที่สุดกระดับตูนย์ไม่ใช่ตนของตัว ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ ใ, ใครก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นแี่เพียงหุ่นสำหรับมาสวมเอาเฉยๆองมตัวที่มาสวมตัวหุ่น น, นั้นคือตัวใจหันเมื่อออกจากร่างอันนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นไปนสวมว่าร่างอื่นไปนสวมว่าหุ่นอื่น ตัวมล่างอื่นคนอื่นไม่มีที่สิ้นที่สุดอันตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวใจของเราแท้ๆอันนั้นเรียกว่าเราให้พึ่งตัวนั้นแหะให้เห็นตัวนั้นแ่ะเพราะเราอาศัยมันทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็อาศัยมันจึงค่อย้มาเกิด ตายไปแล้พบชาติอื่นชาติอื่นก็ต้องเราไปกนันนั่นแหละเอาเอาตัวนั้นไปเกิดของนั้นเป็นของไม่กีรังทาวอนเองเหมือนกันจะเกิดพบได้ชาติใดก็อันนั้นไปเกิดแต่ว่าสิ่งนั้นไม่จะต้องมีศูนย์สิ้นเหมือนกันใ น, ในผลที่สุด มันก็เสื่อมสูช์ชินไปอนั่นก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันหมดเรื่องนั่นว่าถึงทำที่สุดไม่มีการไม่มีการไปการมาของมันอยู่คงที่แต่เรายังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้ก็ต้องอาศัยตัวนั้นเสก่อนให้นั้นให้เห็นตัวนั้นเส่ะก่อน จริงค่ะหาที่พึ่งตนเองได้มีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เห็นอยู่แต่จับตัวไม่ได้ลองคิดดูสิว่าตัวของเราเน่ยนะที่ว่าตัวเราตัวเร า, ใ น, เานนในที่นี้นั้นมันรู้จักทับสายคิดไปคิดมา มันรู้จักใช้ตัวของเรามันเราในที่นี้มันหมายความถึงตัวกายใช้กายได้อันตัวนั้นใช้กายได้แต่ตัวเราจริงๆมันตัวนั้นต่างหากใชใ้ทำดีทำชั่วทำหยาบทำละเอียดได้ ผลที่ทำดีทำชั่วนั่นแหะกรรมที่ทำดีทำชั่วนั่นนหะเมื่อตัวนี้ดับไปแล้วตัวนั้นกลับได้รับไปอีกตัวได้รับผลกรรมผู้นั้นได้รับผลกรรมอีกจึงเรียกว่าตัวเราตัวนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังยังติดพันอยู่กับตัวเราอันนี้ตัวเรา น, นี่ทำ ทำกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วกับตัวอันนี้แหละแต่ตัวนั้นก็ได้รับเหมือนกันจึงเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอย่างค่าคนนั้นก็จับได้ใส่โทษทาน ก, กรรมจนกระทั่งประหัดประหารประหัดประหารตัวนี้แหละ ปูปะหารชีวิตกับอาหารตัวนี้แหละตัวกายนี่แหละตัวนั้นไม่ถูกหรอกเขาะจะปะหัดประหัดนี่ยก็ไม่ถูกเื่นยิงก็ไม่ถูกดาบฟันก็ไม่เข้าตัวนั้นแต่เวลาตัวนี้มันใช้กรรมอยู่ต้องใช้ไปตามเรื่องแต่เวลามันดับจริงๆจังแล้วผลกรรมยังมากไปตัวนี้อีกอันตัวนั้นไปได้อีก อตัวเราเนี่ยตัวเราทแท่นั้นได้อีกทอดหนึ่งจึงว่าตัวของเรามันซ่อนกันอยู่ในนี่แหละเรามีซ้อนเราอยู่ในนั้นจึงให้รู้จักตัวของเราทั้งสองอย่างไว้เมื่อรู้จักกายทั้งสองอย่างไม่รู้จักตัวเราทั้งสองอย่างนี้ หาที่พึ่งส่วนกายเราอาศัยพึ่งพาอาศัยมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็จเจ็บตัวนี้แหละมันตัวใจไม่เจ็บหรอกท้งเมื่อพึ่งตัวนี้พึ่งไม่ได้แล้วค่ะนี้ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนไข้ไม่อยู่ดีสบายโดยใจัก็ปลากฏมันก็รู้ตัว มันก็เข้าไปไปถึงตัวใจกันใจไม่ยึดไม่ถือกันใจไม่กังวลเกี่ยวของของอะไรบ้านงนก็ไม่มีอะไรจริงว่าอันนั้นตัวใจตัวนั้นเป็นตัวเราถ้ามารู้จักเมือ่อเมื่อรู้สึกตัวเราอย่างนี้แล้วเราปล่อยวางตัวนี้เสียฮัดทั้งสองอย่างฮัตปล่อยวางกาย ถ้าไม่ยังเหลือตัวใจลองลองดูเมื่อปล่อยวางนี้ใจยังเหลือที่ใจลองปล่อยวางลองดูจะรู้สึกกว่าไม่มีเจ็บมีป่วยหายห่างมดจากจริงผลวงมดุดนั่นแหลเข้าถึงตัวนั้นเมื่อเข้าถึงตัวนั้นแล้ว ในเวลาที่เจ็บป่วยเขเข้าถึงตัวนั้นเวลาจะล้มจะตายก็เข้าถึงตัวนั้นเวลามีภัยอันตรายต่งตางๆซึ่งอยู่ในโลกนี้มีรอบด้านโจรขโมยก็ดีเรื่องคนป้นคนชะดลมมาแดงต่างๆมีภัยอันตรายมีเสือมีผีร้ายเป็นต้นวิ่งเข้าหาที่พึ่งเลยคือตัวใจ วางของมันีหมดเข้าพึ่งหนึ่งตัวใจเรียบเหมือนกับไก่เหมือนกับลูกไก่ไม่เห็นเดี่ยวเห็นอะไรมามันก็วิ่งเข้าหาแม่มันเลยต้นปุดกอยู่ใน ป, ปีกแม่มันเอาที่พึ่งอันนี้เท่าก่อน พึ่งให้มันอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความอบรมภาวนาทำสมาธิใจให้มันอยู่นิ่งแนว่วเข้าหาที่พึ่งให้มันได้อย่าไปคนควะอย่าไปพักผายหาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พึ่งตนเองอย่างนี้ยะตังสนานามุตตะมัง ที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งเอาโดมสูงสุดสพะพานุขาประมดจิตอันนั้นแหละเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันและอนาคตข้างห น, น้าให้รู้จักที่พึ่งของตนทั้งสองอย่า ง, างนี้ไว้เราหาที่พึ่งไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักจะไปพึ่งไหนกันคนทั้งหลายในโลกโดยส่วนมาก เาที่พึ่งไม่ได้ที่จริงก็หาไฟฝันนั้นที่พึ่งกันทุกคนแต่หาตัวพึหาที่พึ่งหี้จริงไม่ได้คนคว้าหาที่พึ่งทั้งนั้นนะฮะหาที่พึ่งที่เป็นของจริงจังนาถังและปฏิรุนระพังนาถังและปฏิ หาที่พึ่งอันเกษมสูงสุดได้แก่พึ่งตนเองครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาที่พึ่งของจริงไม่ใช่ที่พึ่งเหลีวไหลหาที่พึ่งของไม่จริงมันเหลีวไหลหรอกของเพลา น, นหากันหลงหลงม ง, งายไปสารพัดทุกอย่าง พึ่งของภายนอกไปหมดทุกทิ่งทุกอันเสียผลประโยชน์เปล่าพึ่งภายในไม่มีเสียไดเลยไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องปลูกบ้านปลูกเรือนให้มันอยู่าต้องเสียเข่าเสียของอะไรทั้งหมดซึ่งตัวเองที่พึ่งไม่อยู่ไม่เอ า, าที่คือพึ่งของภายนอก ยังเป็นเหตุให้เหลี้ยวไหลอธิบายถึงเรื่องที่พึ่งเขาตั้งใจทำความสงบได้ เ, เคยอธิบายให้ฟังว่าใจดนจิตจิตนั้นพึ่งไม่ได้ใจนั้นยังเคยพึ่งได้ จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยสำหรับเป็นผู้หาสเสบียงคือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมต่างๆมันเกิดจากจิ ต, ตใจนั่นมันชฉยเฉยมันเข้าถึงความสงบไม่มีอะไรละเข้าถึงความสงบแล้วก็เฉย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 รักษาก็ื่อสงอบอยู่ชั่วคราวต้องอาศัยอย่างนั้นได้ก่อนใจเป็นของกลางไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของกลางกลางเราวางใจเป็นกลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ลงกลางกลางนเน่ ไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆทำให้สบายสบายไปไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องใส่อะไรทั้งหมดเย็นลงไปสบายสบายให้จับเอาตัวนั้นได้ก่อนจับเอาตัวนั้นได้แล้วก็ เ, เข้านอนก็เป็นถึงความสุขควงมสงบ ให้อยู่ได้นานแค่นานยิ่งการดียิ่งเป็นการดีมันอยู่ไปแ้วมันหากจะรวมลงไปต่อมันยังว่าจะรวมทีแรกเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆซะก่อนถ้าเมื่อนานๆได้นนนเขา้ามันรวมลงไปเองรวมเข้าไปถึงกวมเป็นกลางของเก่านะ แต่มันลึกซึ้งเข้าไปเก่ามันละเอียดเข้าไปเก่าอยู่ได้นากนเก่าๆนั่นไม่ต้องรักษาในการเช่นนั้นไม่ต้องรักษาต่อไปนั่นถ้าหากมีเรื่องมีราวได้เกิดขึ้นมามันออกมาประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้น่ะความสงบตันนั้น่ะ มางบมันชำนี่ชำนานเถอะนานเท่าไหก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าที่จิตมันจะสงสยัยมันสงสายมามากมายกว่าเพื่อที่จะคา น, านาณนับจนนั้นเป็นนิสัยมันชินเช่ไจ น, นั้นมีขอบเขต มันจึงยากที่จะเข้าถึงความสงบได้เมื่อเข้าถึงความสงบแล้วมันออกมาเองหรอกมันจิตอันนั้นคือมันนิสัยมันเป็นนิสัยสัญดาของจิตแล้วมันอยู่เฉยๆไม่เป็นมันยังออกมาเองมาเสา ะ, ะแสวงหาเรือ่องราวต่างๆคิดโน่นสงนี้อะไรต่างๆเราจะต้องเอาความสงบมันแหละ ไปจับอีกที่หนึง่งอันนี้มันไม่ใช่ของไม่ใช่ของเรามันส่งสายไปมาไม่ใช่ของเราเราต้องเอาความสงบมาเนี่ยเอาความสงบไปจับมันความตรงสายนั่นเองแล้วก็ถอนแล้วเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกันนั้นอยู่อย่างนี้แหละมันมีสิ้นที่สุด แล้ฝึกหัดอบรมก็อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบรมมาเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกมาถอนมาทรงใส่ตามเรื่องตามราวถ้าเข้าวความสงบคือพิจารณาเลือกเฟ้นให้มันได้สิงสงบเป็นยังไงอันที่ทรงใส่เป็นยังไงแลเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เราต้องการจนมันชํานี่ชนานาญ ไม่มีการตื่นเต้นนะครัมันจะสงสัยน้อยเป็นไรมันจะสงบบ่อยเป็นไรมันแคอยู่สิความสงสัยเราก็ไม่ยังสงสัยคำว่าสงบก็ตื่นเต้นอันนั้นี่ะมันไม่ได้หลักไม่ถึงขั้วสงบสักทีเขาอยากสงบมันก็ไม่เป็นสงบมันก็ไม่สงบสิเพราะสงบไปแล้วก็ตื่นเต้นมันตรงสายเดี๋ยวก็ ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนนู่นไหวอยังใ ห, ให้ได้ความสงบความไม่ชำนี่ชานานนะั่นความที่ไม่รู้เรื่องของมันยังก่อยเดือดร้อนนะอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้ให้ชานี่ชำ น, นานแนละ้วมันก็นอยู่ทีภ า, า, ว, นานวนาการหัดภาวนา คือหัดละกหัดถอนหัดทิ่งหัดต่อยหัดวางสิ่งทั้งหลายที่มันติดพันในโลกนี้หัดต่อยหัดวางที่หัดถอนเมือนเรียกว่าสัญญามันจำได้แน่นอย่างที่สุดถึงแม้อดีตเรื่องแล้แก็ตามเถอะเรื่องนั้นจำได้ดีได้ดีด มันเอาไป่าทำหนึ่งอยู่ในใจมาคิดถึงอยู่ในใจควรที่จะปล่อยจะละมันก็ละไม่ได้นาคบที่เรา้ัถึก็ไปปงไปแต่งึปจําะไรนั่นะอันนั้นคิดนิดก็ไปลงไวแต่งคือว่าในนาคมันต้องปลงต้องแต่งแ้วกอนไปจาจาเรื่อง ไอ้ดีบนันจำแล้วเขาตรุงเขาแต่งมันกลกันลองมาพูดวนายึืหัดละของพลังอนะไม่คองอยู่กับใจไม่ติดอยู่กับใจลองคิดดูวะองนั่นไม่มีอยู่ในใจละมันจะเป็นยังไงใจมันก็ไม่มีมันก็ปล่อยว่างหมด เราจังว่าคนหนึ่งว่าพี่กับน้องว่ลูกเวลาพระสมบททัติเขาของเราเรียกจี่ติดจำมาใชไม่จำไม่ในใจใจสอยหวางมดใจมันก็ว่าไม่มีอะไรทั้งหมดมันก็หมดหว่วงหมดไงหมดกังวล น, นั่นหลความสุขของคนเรา คือของไม่มีนั้นได้ได้ความสุขอย่างยิ่งในขณะที่เราสำนดกภาว น, นาอยู่ดีให้เป็นนี้ได้ควาสุขอย่างนั้นยังไม่มีอะไรเลยทั้งเมื่อสำนดได้อย่างนั้นแล้วพิจณาดได้นั้นจิตรวมได้อย่างนั้นแล้วเราจิตถอนออมาจะไปยึดไปถือไปมั ว, มวเมาก็จริงนั้นไปรื่นรมก็จริงนั้นมันก็ ไม่ติดอย่าไปชิบประคนเมื่อที่ว่า น, น้องของเรามันก็ไม่ติดมาเรียกว่าร้านสบาอาจของเรามันก็ไม่ติดถ้าจิตรวยได้อย่างที่อธิบายฟังในนั้นท่านจึงให้หัดสมาธิคือให้ปล่อยวางของ น, นี้ ของมีอยู่แต่ไม่ให้มีเป็นของหายากของไม่มีไปกราบแล้วมันมีขึ้นมาของทำง่ายของไม่อยู่นี่ทาให้มีเนี่ของทํายากทุกทุดต้องอาศัยการภาวนาเดเดี่ยวกลราหาน ให้ชำนีชำนาญนทุกเสมอของที่มีอยู่มีให้นี้มันโกรดขึ้นที่ใจมันต้องมีวัตถุมันโลดเป็นไี่ใจมันต้องมีวัตถุมันหล ง, ลงมันก็ต้องมีวัตถุแต่วัตถุมามันก็กลทุกลงอนาคตนาจะให้มีจะให้เกิดขึ้นมาได้ ในเวลาที่ภวนาปล่อยทิ้งเลยเวลาที่ออกจากสมาธิภาวนาช่างนะนั่นจังสมามันมันจะไปเยึดไปถือได้ก็ช่างแต่มันไม่ติดกับอะไรนันดีตรงนั้นการพิจารณาท่ า, ทาสีมันก็ดีตรงนั้นเห็นไหมท่าสีแล้วมันไม่ใช่เรา ล้วหเรื่องเลยนกลักออกจากทาสีแล้วนัว่าดูธรรมดามาดาน